บันไดผีไม้ชิงชันวิญญาณนักโทษที่รีสอร์ทสละบุรีสัมผัสสยองเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสละบุรีคุณนีได้เล่าว่า เมื่อประมาณ6ปีก่อนเธอและเพื่อนๆวางแผนกันที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดตั้งใจว่าจะไปกันสัปดาห์หน้าพอใกล้ถึงวันนัดก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาชวนคุณนีให้ไปเที่ยวที่รีสอร์ทในจังหวัดสระบุรีตอนนี้เพื่อนของเธอนั้นอยู่คนเดียวกับคุณพ่อคุณนีก็ตอบตกลงเพราะจะได้ไม่ต้องจองที่ให้ยุ่งยาก แล้วก็พากันไปเที่ยวประมาณ4ี่คนรีสอร์ทแห่งนี้เป็นของคุณพ่อของเพื่อนซึ่งกำลังสร้างเสร็จใหม่ๆรอบุรณะรอบๆให้เสร็จก่อนถึงจะเปิดให้เข้าพักได้รีสอร์ทตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่งห่างจากชุมชนบ้านเรือนประมาณ2กิโลเมตรมีบ้านพักประมาณเกือบเกือบสิบหลังมีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้นรอบๆรีสอร์ทจะเป็นป่า ส่วนด้านหลังรีสอร์ทจะมีคลองเล็กๆที่สามารถนั่งตกปลาได้คุณนีและเพื่อนๆ เ, เดินทางไปถึงช่วงเย็นหลังจะขนของลงจากรถและทานอะไรกันอิ่มแล้วก็กระจายกันเข้าพักรีสอร์ทหลังละคนคืนแรกทุกคนนอนหลับสบายดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาก็เดินเที่ยวเดินเล่น พูดคุยกันทําอะไรกินกันตามปกติจนมาถึงช่วงหัวค่าหลังจากทานอาหารค่ํากันเสร็จแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ไปเดินเล่นแถวๆด้านหน้าของรีสอร์ทไม่นานก็วิ่งหน้าตาตื่นกลับมาหาเพื่อนๆนเธอคนนั้นได้พูดเสียงสั่นปากสั่นว่าไปดูนั่นสิอะไรไม่รู้ตาแดงๆกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณนี จึงเอาไฟฉายส่องไปดูยังบริเวณนั้นซึ่งแถวด้านหน้าของรีสอร์ทจะมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่หลายต้นมีหญ้าขึ้นสูงประมาณหัวเขา่าแต่คุณ น, นีก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดและได้บอกกับเพื่อนว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เพื่อนก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่าเห็นจริงๆเป็นลูกตาสีแดงๆอยู่ตรงนั้นคุณ น, นีก็คิดว่า น่าจะเป็นสัตว์กลางคืนเพราะที่นี่อยู่บนเขาไม่แปลกที่จะมีสัตว์หลงเข้ามาในเวลากลางคืนแบบนี้เมื่อเพื่อนคนอื่นๆได้รับรู้เรื่องราวก็พากันย้ายห้องมานอนรวมกันจากที่ตอนแรกนอนกันอยู่คนละหลังเพราะเพื่อนคนหนึ่งดันไปเห็นอะไรแปลกๆเข้าเกิดหวาดระแวงจึงย้ายมานอนรวมกันที่ชั้นสองของบ้านหลังหนึ่ง หลังจากทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วกลางดึกคุณนีก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นเวลานั้นเป็นเวลาประมาณตีสองแล้วคนนุณนีหูแววได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งเสียงนั้นกำลังเดินขึ้นบันไดามาและเหมือนกับว่ากำลังลากอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยคนนุณนีพยายามนิ่งแล้วฟังว่าเสียงนั้น มันคือเสียงอะไรกันแน่สักพักก็รู้สึกว่าเสียงนั้นมันมีลักษณะคล้ายกับโซ่มันลากขึ้นมาเรื่อยๆจนขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูคุณนีแปลกใจและก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรจึงค่อยๆมองลอดไปตรงช่องเล็กๆใต้ประตูซึ่งภายในห้องตอนนั้น ปิดไฟจนมืดสนิทเหลือแค่แสงสว่างจากหลอดไฟนีออนที่อยู่เหนือประตูด้านนอกเท่านั้นแล้วคนนุณนีก็เห็นเป็นเงาของใครสักคนยืนอยู่ที่หน้าประตูแต่ตอนนั้นในใจคิดว่าเป็นคุณพ่อของเพื่อนแวะมาดูแล้วสักพักเงาที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูก็ค่อยๆเดินลงบันไดไปอย่างชา้ชาๆคุณนี ก็ไม่ได้คิดอะไรจึงนอนต่อเช้าวันต่อมาคุณนีจึงมานั่งคุยกับเพื่อนๆนว่าเมื่อคือนเห็นอะไรแปลกเพื่อนคนที่นอนข้างๆคุณนีก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันเหมือนคนกาลังเดินลากโซ่ขึ้นมาบนบ้านแล้วเพื่อนคนที่โทรชวนคุณนีมาเที่ยวก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเจอเหมือนกันเหรอคุณนีก็เริ่มแปลกใจ และสงสัยว่าเพื่อนหมายถึงอะไรจึงถามบ อ, อกไปว่าเจออะไรเหรอเพื่อนจึงบอกว่านี่คือเหตุผลที่ต้องให้คุณ น, นีและเพื่อนคนอื่นมาพักที่นี่เป็นเพื่อนด้วยแล้วเธอคนนั้นก็เล่าว่าย้อนกลับไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่คุณ น, นีและเพื่อนๆจะมาพักที่รีสอร์ทนี้โดยปกติแล้วที่นี่ จะมีคนงานอยู่สองคนคอยช่วยงานอยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้จนคืนหนึ่งคนงานทั้งสองคนก็ได้ไปเจออะไรเข้าสักอย่างจนต้องวิ่งหนีลงเขาไปอยู่ในปั๊มน้ามันซึ่งห่างจากรีสอร์ทประมาณ3กิโลเมตรเพื่อนเล่าต่อว่าก่อนหน้านั้นคุณพ่อได้ไปประมูลไม้เก่าๆจากกรมราชทัณฑ์ แล้วมีไม้อยู่สามท่อนที่คุณพ่อจะกำชับไว้หนักหนาว่าห้ามยุง่งไม้นั้นจะมีลักษณะเป็นไม้หน้าสีแตกต่างจากไม้เล่มอื่นๆแต่คนงานทั้งสองคนไม่รู้เพราะเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านจึงได้นำไม้ทั้งสมชิ้นมาแปรรูปทำเป็นแผ่นไม้ขั้นบันไดคุณพ่อบอกกับเพื่อนอีกว่าไม้ทั้งสามท่อนนั้น คือไม้หลักประหารซึ่งมีไว้ประหารชีวิตนักโทษในสมัยก่อนกว่าจะถอนขึ้นมาได้คนที่ถอนต้องนอนจับไข่เป็นอาทิตย์ไม้ทั้งสามท่อนนี้เป็นไม้ชิงชันซึ่งมีลักษณะที่แข็งและเหนียวรวมถึงมีลักษณะที่ดูสวยงามมากจึงนิยมนำมาทำเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงหลักประหารไม้ชิงชัน ยิ่งอยู่ในดินนานเท่าไรก็จะยิ่งเหนียวมากขึ้นเท่านั้นและถ้าอยู่ในน้าก็จะทำให้ไม้ยิ่งแกร่งนี่คือคุณสมบัติของไม้ชิงชันหลังจากที่คนงานทั้งสองนาไม้ชิงชันไปแปรรูปแล้วเอามาทำบินขั้นบันไดเพราะตกดึกของคืนนั้นพวกเขาก็ขึ้นไปนอนพักผ่อนบนห้องเดียวกัน กับที่พวกเราทั้งหมดนอนอยู่ในตอนนี้จากนั้นเวลาประมาณตีสองคนงานก็ต้องตกใจตื่นเพราะรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างตกลงบนหน้าอกเขาเขาตื่นขึ้นแล้วพยายามเพ่งมองดูก็พบว่ามันคือดอกบัวที่ถูกมัดติดกับรูบเทียนเหมือนกับที่ใช้ในการมัดปลาสังศพ แล้วหางตาของเขาก็เหมือนเห็นอะไรสักอย่างอยู่แถวๆประตูจึงหันไปมองปรากฏว่าเป็นผู้ชายร่างกำยำไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงตัวเก่าๆยืนอยู่ที่ขาและมือถูกล้ามโซ่เอาไว้เมื่อเขาเงยหน้ามองขึ้นไปก็ไม่เห็นสีสักของคนคนนั้นหลังจากเจอเหตุการณ์นั้น คนงานก็ยังทนอยู่มาได้อีกประมาณสวันจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วคนงานก็หนีกลับบ้านไปเพราะหลังจากคืนนั้นเขาก็เจอกับคนหัวขาดมานั่งยองๆ อ, อยู่ที่ปลายเท้าของเขาแล้วดึงขาเขาทุกๆคืนจนอยู่ไม่ได้รีสอร์ทแห่งนี้จึงเหลือแค่คุณพ่อกับเพื่อนพักอยู่แค่สองคนเท่านั้นเพื่อน จึงได้โทรชวนคุณ น, นีให้มาเที่ยวทีน่นี่จะได้มีเพื่อนอยู่กันหลายๆคนไม้จิงชันเป็นไม้ที่แข็งมากเนื้อจะออกสีดำๆเหตุผลที่คนสมัยก่อนเอาไม้ชนิดนี้ไปทำเป็นเสาหลักประหารก็เพราะว่าถ้าโดนของมีคมแล้วจะไม่ค่อยบินและเป็นเสาที่ถ้าปักลงไปแล้วจะดึงขึ้นยากมาก เพื่อป้องกันคนที่ถูกมัดขัดขืนและหากถอนเสาไม้ชิงชันขึ้นมาจะต้องใช้เครื่องมือในการดึงขึ้นมาเท่านั้นเมื่อไม้ทั้งสามเล่มถูกแปลรูปไปทําเป็นบันไดหมดแล้วคุณพ่อของเพื่อนก็ได้รื้อบันไดไม้ออกแล้วทําเป็นบันไดเหล็กแทนหลังจากที่รื้อบันไดไม้ออกแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังหาไม้ทั้งสามเล่มนั้นไม่เจอ สัมผัสสยอง